10. เวสันตระชาดกว่าด้วยพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีขท้าสักกะเทวราชตรัสว่าแน่พุทธดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสริฐผู้มีอวัยวะส่วนเบื้องหน้างามเธอจงเลือกเอาพรสิบประการในปัตถพีซึ่งเป็นที่รักแห่งหารุไทยของเธอ ขุศดีเทพกัญญากราบทูลว่าข้าแต่เท้าเทวราชข้าพระบาทขอโนบน้อมแต่พระองค์ข้าพระบาทได้ทำบาปกรรมอะไรไวหรือฝ่าพระบาทจึงให้ข้าพระบาทจุติจากทิพยสถานที่น่ารื่นรมดุดลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้หักไปฉะนั้นเท้าศักกะเทวราชตรัสว่าบาปกรรมเธอไม่ได้ทาไวเลย และเธอไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่แต่บุญของเธอสิ้นแล้วเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ความตายใกล้เธอเธอจะต้องพลัดพรากจากไปจงเลือกรับเอาพรสิบประการนี้จากเราผู้จะให้ผู้สดีเทพกัญญากราบทูลว่าข้าแต่ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งปวงถ้าฟาประบาด จะประทานพรแก่ข้าพระบาทไซข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. ขอให้ข้าพระบาทพึงอยู่ในพระราชนิเวศของพระเจ้าศรีวิราชนั้นข้าแต่เท้าปุรินททะ 2. ขอให้ข้าพระบาทพึงเป็นผู้มีจักษุดำเหมือนตาลูกมฤคีมีอายุหนึ่งขวบปีซึ่งมีดวงตาดำ 3. าพึงมีขนคิ้วดำ 4. พึงเกิดในราชนิเวศนั้นมีนามว่าพุทธดี 5. พึงได้พระราชโอรสผู้ให้สิ่งอันประเสริฐผู้ประกอบความเกื้อกูลแกยาจกไมตรีผู้อันพระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติมียศ 6. เมื่อค่าพระบาททรงคันขออย่าให้อุทรนูนขึ้น พึงมีอุทธรไม่หนูนเสมอดังคันสอนที่ในช่างเหลาเกลี้ยงกล่าเจ็ดทันทั้งคู่ของข้าพระบาทยาย้ะยานแปดข้าแต่ท้าวาสวะผมงอกก็อย่าได้มีเก้าธุลีก็อย่าได้ติดในกายสิบข้าพระบาทพึงปล่อยนักโทษที่ถึงโทษประหารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระบาท พึงได้เป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าศรีวิราชในพระราชนิเวศอันกึกก้องด้วยเสียงร้องของนกยุงและนกกระเรียนพรั่งพร้อมด้วยหมู่นารีผู้ประเสริฐเกลื่อนกลนไปด้วยหมูนกเล็กๆอันพ่อครัวและชาวมคตสรนเสริญกึกก้องไปด้วยเสียงกรอนและเสียงบานประตูอันวิจิตมีคนเชิญให้ดื่มสุราและกินกับแกล้ม เท้าสักกะเทวราชตรัสว่าแน่นางผู้งามทั่วสารพางพรสิทธิประการเหล่าใดที่เราให้แกเ่เธอเธอจะได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแว่นแคว้นของพระเจ้าศิวิราชครั้นท้าววาสวะมัควาสุชมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงอนุโมทนาประทานพรแกพุทธดีเทพอักษร นี้ชื่อว่าทศพรคาถา